1.17 สติสัมปชัญญะเป็นทางสู่โลกุตตรปัญญาวงเล็บเปิด4พฤศจิกายน2549จุดจุดนาที49วงเล็บปิดสติเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่ทำหน้าที่รู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจฉะนั้นสติเป็นตัวรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจสัมปชัญญะแปลว่าความรู้สึกตัวมีสี่ตัวอันแรกเลยรู้ว่าเราทำอะไร อันที่สองรู้ว่าทำเพื่ออะไรอันที่สามรู้ว่าทำอย่างไรอันที่สี่ระหว่างทำอยู่ไม่หลงไม่เผลอไปไม่ลืมเนื้อลืมตัวไปฉะนั้นบางทีเราก็แปลรวบยอดว่าสัมปชัญญะก็คือความรู้สึกตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวสัมปชัญญะจริงๆเป็นปัญญาเบื้องต้นขั้นพื้นฐานเลยคล้ายๆผู้กํากับเส้นคนส่วนมากเมื่อมีสติจะเอาสติไปเพ่งไปจ้องอะไรเอาไว้ แต่ถ้ามีสัมปชัญญะกำกับการปฏิบัติอยู่มันจะไม่ค่อยพลาดสัมปชัญญะเนี่ยเป็นการคอยดูว่าเราจะทำอะไรเช่นเราจะทำสมถะหรือเราจะทำวิปัสสนาจะทำเพื่ออะไรสัมปชัญญะก็รู้อีกสมถะทำเพื่อสงบวิปัสสนาทำเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจทำอย่างไรก็ต้องรู้อีกทำสมถะคือน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อนเนื่องถ้าวิปัสสนานะ ให้รู้กายให้รู้ใจตามความเป็นจริงไม่เผลอไปไม่บังคับแทรกแซงเอาไว้ทีนี้ระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอไปทําอันอื่นซะเช่นเราทําสมถะเราก็ไม่หลงไปคิดเรื่องอื่นลืมเนื้อลืมตัวไปตกจากสมถะถ้าเราจะทํำวิปัสสนาเราก็ต้องไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ลืมกายลืมใจตัวเองต้องรู้กายรู้ใจตัวเองอยู่ ฉะนั้นสัพปปชัญญะนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นคำกว้างเหมือนกันนะแต่ส่วนมากที่นักปฏิบัติเราเอามาใช้เราจะเอามาบางด้านเอาแค่ว่าความไม่ลืมตัวรู้สึกตัวอยู่ไม่เผลอไปไม่ลืมไปพอมีสติมีสัมพชัญญะกำกับในการเจริญสติรู้รูปรู้นามไปเรื่อยต่อไปวิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นคือเห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา พอเห็นความจริงก็เป็นวิปัสนาปัญญาพอเห็นความจริงแจ่มแจ้งปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจลงไปวางรูปวางนามไปจิตไปรู้นิพพานอริยมรรคที่เกิดเรียกโรกุตรละปัญญาฉะนั้นปัญญามีหลายระดับเบื้องต้นเลยในขั้นลงมือปฏิบัติต้ตองมีสัมปชัญญะเอาไว้เป็นตัวกำกับไม่ให้เราเดินตกจากวิปัสนาพอเดินถูกต้องต่อไปก็เกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาปัญญารู้ความจริงของกายของใจ พะรู้ความจริงของกายของใจเต็มที่แล้วปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ก็ไปเห็นนิพพานตรงที่ละความเห็นผิดได้นี่เป็นปัญญาชั้นสูงเรียกว่าโลกุตระปัญญา